ในสยพุทธการนะมีพระรูปหนึ่งชื่อพระติสสะอ่าติสสะนี่เป็นชื่อสามมันนะในสายพุทธการนี่มีพระติสสะนี่เยอะนะหลายรูปรูปนี้วันหนึ่งท่านก็ไปเยี่ยมในช่างคนหนึ่งนะเป็นเป็นช่างเกี่ยวเรื่องเจรไนแก้วมีฝีมือดีมากนะชื่อมณีการก็ ล, ลองที่สนทนาอยู่ก็มีมหาเล็กจัของพระเจ้าประสิฐธิโกศลมาแล้วก็ นำแก้วเนื้อดีนะพระเจ้าประเสริฐกษัตริยเนี่ยให้ให้นายมณีการนี่แหละช่วยเจรไนนะช่วยเจรไนเพราะบังเอิญช่วงนั้นเนี่ยนายมณีการเนี่ยมือเนี่ยเปื้อนนะเขาจะคงกําลังทั่นผักทําครัวแล้วมันก็มือเปื้อนเลือดนะก็ยังรับแก้วไม่ได้ก็ให้วางไว้วางให้บนเขียงกันนะส่วนตัวก็ไปล้างมือระหว่างนั้นเนี่ยมันมีนกกระเรียนนะ เขาจะแกะหองเลี้ยงเอาไว้นะนกกระเรียนเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้คงไม่เคยเห็นนกกระเรียนเลยก็แล้วนกกระเรียนนี่มันเห็นแก้วมันก็นึกว่าเป็นอาหารมันก็เลยนะกินแล้วก็กลืนเข้าไปต่อหน้าพระติสระเลยนะพระติสระคงไม่ทันห้ามพอนายมณีการออกมาไม่เห็นแก้วก็คงเป็นเพชพลอยอย่างหนึ่งอันนะก็เลยถามว่าหายไปไหนไอ้แก้วเนี่ยพระติสระเนี่ย ไม่กล้าบอกความจริงเพราะจะบอกความจริงว่านกกระเรียนออกไปเนี่ยมันิการคงจะฆ่านกกระเรียนนั้นนะก็เลยอบอกก็ไม่รู้มันิการนี่ก็เกิดระแวงสงสัยว่าสงสัยเนี่ยพระติสานี่แล้วไปเพราะไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเลยถามพระติสาก็ปฏิเสธมันิการก็เลยมัดนะมัดพริสาก แล้วต้องการจะเข้นความจริงก็เอาไม้นี่มาฟาดนะเอาไม้นี่มาฟาดฟาดจนกระอักเลือดเลยนะเลือดนี่ไหลออกมาทางตาทางหูทางจมูกคงทางปากนี่แหละทุกทวารฟาดแรงมากนี่ขนาดคนรู้จักกันนะยังทําขนาดนี้ช่วงที่อประทศานิกระอักเลือดเนี่ยเลือดมนก็มา มากรองอยู่บนพื้นนกกระเรียนเนี่ยมันเห็นเลือดมันก็เข้ามากินเลือดนายมณีการก็เลยเตะนกกระเรียนอย่างแรงนกกระเรียนตายพระติศาก็เลยบอกนายมณีการเนี่ยนกกระเรียตนตัวนี้แหละมันกินแก้วเข้าไปมณีการก็เลยผ่าทองดูเพราะว่าเจอจริงนะแก้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยทาผิดไปนะไปทําร้ายพระติศะก็เลยขอโทษขอโพยแต่พระติศานี้ก็เรียว่านุ่มเลยนะ อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องราวในพระไตรปิฎกนะที่เชื่อถึงเมตตาของพระติสระนะนท่านยอมทรมานยอมทุกข์นะก็เพื่ อ, อรักษาชีวิตนะของนกกระเรียนเอาไว้นะท่านบอกความจริงนกกระเรียนก็ต้องตายนะการบอกความจริงว่านกกระเรียนเอาไปเนี่นะและทำให้นกกระเรียนตายมาันไม่ได้ผิดศีลนะไม่ได้ปนานติบาศหรือไม่ได้มีสวนในการฆ่า ท่านก็คงรู้ว่ามันไม่ใช่ผิดศีหรอกถ้าบอกความจริงแต่ท่านมีเมตตามากนะไม่อยากจะให้นกกระเรียนตายนะท่านก็ยอมที่จะรับความเจ็บปวดเสียเองอันนี้ก็เป็นความเมตตากรุณาของพระติสัตนะซึ่งสูงมากนะในชาติหวงนี้จะมีเรื่องแบบนี้เยอะนะอย่างสมัยที่พระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ย พระโพิสัตว์ก็คือว่าผู้ที่ยังไม่ได้ตัดสรู้บำเพ็ญบา ร, รมีชาดแล้วชาดเล่าคราวหนึ่งก็ไปเป็นดาบทนะมีลูกศิษย์ตามมาเข้าไปในป่าจาริกก็ไปเห็นดิ้นเสียงร้องนะอยู่ที่เชิงผาช่องก้อนผาไปดูก็บอกว่าเป็นแม่เสือพึ่งคลอดลูกนะพึ่งออกลูกนะลูกยังตัวเล็กอยู่เลย แต่แม่เสือเนี่ยหิวโหวยมากไอ้ลูกเนี่ยก็อยากจะกินลูกเป็นอาหารฤศีก็สงสารลูกนะ <c oughs> ก็เลยบอกให้ลูกศิษย์เนี่ยไปตามไปหาอาหารมารออยู่นาลูกศิษยก็ไม่มาสักทีแล้วก็เสือเนี่ยมันก็ทํำท่าจะคํามัํานะลูกของมันจริงๆท่านทํำยังไงรู้ไหมท่านก็กรเดินลงไปที่ชงง่องน่องผาเลยนะ เพื่อเป็นอาหารให้กับแม่เสือแม่เสือมันเห็นคนตกลงมามันก็เลยนะก็เลยกินซะเลยนะลูกเสือก็เลยลอดตายนะอันนี้เป็นการช่วยชีวิตลูกเสื อ, อไว้ทาด้วยอะไรทท่านทำด้วยจิตที่มีเมตตามากนะทด้วยจิตที่มีเมตตามากพร้อมที่จะสละชีวิตนะอันนี้ก็เรียกการบำเพ็ญทานนะเป็นทานที่เรียกว่าเป็นปรมาธบรมีเลยคือการสละชีวิต สละร่างกายเป็นทานนะถ้าสละอวัยวะนี่ก็เรียกว่าทานขั้นอุปบรารมีถ้าสละสิ่งของก็เรียกว่าทานเฉยๆนะเป็นทานบรารมีนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็ถือว่าปรมราธบารมีนี่เป็นการบำเพ็ญบรารมีอันอุกฤษนะในสมัยคนแต่ก่อนเนี่ยเขามีความเมตตากรุณาไม่เฉพาะคนด้วยกันนะแม้กระทั่งสัตว์นะก็ยอมสละ ชีวิตหรือว่ายอมเจ็บยอมปวดยอมทุกข์ยากได้หลวงพ่อโตเนี่ยนะท่านก็มีเรื่องทำนองนี้นะมันหนึ่งท่านาจาริกเข้าไปในป่าสมัยก่อนนี่สมัยตอนที่ท่านจะเป็นสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์เนี่ยนะท่านก็ชอบจาริกนะคราวหนึ่งก็จาริกไปก็ไปเห็นนกกระเรียนเนี่ยมันถูกดักเอาไว้ถูกมันติดแล้วนะมันก็ร้องนะขอความช่วยเหลือ ท่านเห็นนั่นก็เลยช่วยปล่อยนะให้นกกรเรียนให้เป็นอิสระและท่านทำยังไงต่อนะท่านก็เอาเอาขาเนี่ยใส่ก็ไปในในบ่วงในในแรวแทนรอจนกระทั่งนายพรานมาเห็นนะท่านทำอย่างนั้นทำไมนะท่านทำก็เพราะว่าท่านเห็นว่ า, าท่านปล่อยนกกระเรียนไปเนี่ยเหมือนก็ไปปล่อยทรัพย์สมบัติของเขาท่านก็ต้องรับผิดชอบนะต้องรับโทษนะก็เลยเอาตัวเนี่ยนะ รับโทษแทนแทนนะจึงเอาเท้าเนี่ยเข้าไปในบ่วงแทนนกกรเรียนในพรานมาก็เลยถามทํำไมทําอย่างนั้นท่านก็อธิบายอย่างที่ว่ามาเนี่ยในพรานก็รู้สึกผิดน ะ, ะจริงท่านก็คงถือโอกาสสั่งสอนในพราน ด, ด้วยนะว่าการไปจับสัตว์เบียดเบียนสัตว์นี่มันไม่ดีนะในพรานก็ปล่อยท่านเป็นิสระนะแล้วก็ เกิดความทราบซึ้งในธรรมะของหลวงพ่อโตด้วยผู้ที่มีเมตตาเนี่ยนะพร้อมที่จะช่วยเหลือแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานนะไม่ใช่เฉพาะคนอย่างเดียวถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งการช่วยสัตว์นี่ก็เป็นการทําบุญนะซึ่งพวกเราก็ก็ควรจะทําบุญแบบนี้ด้วยนะไม่ใช่ทําบุญเฉพาะกับพระหรือว่าทําบุญที่วัดเท่านั้นแต่คนชาวาพุทธจำนวนไม่ากนะ มีความรู้สึกว่าการทําบุญกับสัตว์เนี่ยนั้นไม่ค่อยน่าทําเท่าไหร่เหตุผลก็คือว่าทําบุญกับสัตว์เนี่ยได้อนิสงน้อยกว่ามีคนเนี่ยเดี๋ยวนี้มีคนที่ผวางกับเรื่องการทําบุญมากนะว่าเวลาจะทําบุญเนี่ยก็จะคิดสารตาว่าทําบุญกับใครได้มากหรือน้อยได้อนิสงมากหรือน้อยทําบุญกับสัตว์ได้หนึ่งทำบุญกับคนได้ร้อยงั้นทําบุญกับคนดีกว่า ทำบุญกับคนได้รอ้อยแต่ทำบุญกับพระโสดาบันได้หมื่นได้แสนงั้นทำบุญกับพระโสดาบันดีกว่าคือพยายามคิดนะพยายามคิดตลอดเวลาคำนวณตลอดเวลาว่าทำบุญอย่างนี้แล้วจะได้บุญแค่ไหนไม่ต่างจากการซื้อหุ้นเลยนะซื้อหุ้นตัวไหนถึงจะได้ผลตอบแทนสูงนะอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธนะที่จะต้องมาคำนวณ ว, ว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้บุญเข้าตัวเท่าไหร่นะแต่ว่าชาวพุทธจานวนมากเนี่ยมีความเข้าใจแบบนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เลยไม่ค่อยทําบุญกับสัตว์เท่าไหร่ right, นะเพราะเห็นว่ามันได้อนิสงส์น้อยกว่าทําบุญกับคนบางทีทำบุญกับคนด้วยกันก็ยังไม่ค่อยทำนะคิดแต่จะทํากับพระอาหารหันต์เพราะได้บุญมากกว่าอันนี้เรียกว่าไม่เลยทาเพราะความมีเมตตากรุณานะแต่ทําเพราะกิเลสนะทำบุญเนี่ยถ้าทำด้วยกิเลสเนี่ยมันได้บุญน้อยนะทำบุญด้วยกิเลสคือทําแล้วคิดว่าฉันจะได้อะไรฉันจะได้เท่าไหร่ นะฉันจะได้บุญกี่หน่วยนะเอาบุญมากๆไปทําอะไรนะก็จะได้ร่ํารวยจะไดะ้มีโชคมีลาบนะจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะบุญเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นคล้ายๆคล้ายๆคู ป, ปองนะสะสมมากแล้วก็ไปแลกของได้ถ้าสะสมได้ร้อยใบนะก็แลกตู้เย็นได้ได้แลกโทรทัศน์ได้นะ หรือเหมือนกับบุญเนี่ย จ, จะเหมือนกับสแตมเซเว่นก็ได้นะสะสมเยอะๆเราไปแลกของได้นะคนไทยเดี๋ยวนี้ทําบุญเนี่ยด้วยความรู้สึกแบบนี้คือทําเพื่อที่จะได้นะได้ผลตอบแทนดีเยอะนะก็เลยไม่ทําบุญกับสัตว์นะแต่ที่จริงเนี่ยเราจะเห็นได้วันเนี่ยพระพระโพ ธ, ธิสัตว์ก็ดีนะีหรือว่าพระในสาวตการก็ดีหรือว่าแม้กระทั่งพระที่เป็นเกจิอาจารย์มีคุณธรรมนี่ท่าน ท่านไม่สนใจนะว่าเป็นคนหรือสัตว์ถ้าเดือดร้อนต่อหน้านะท่านก็ช่วยนะไม่ใช่ว่าจะยอมตายเฉพาะยอมตายเพื่อลูกยอมตายเพื่อคนเท่านั้นนะถ้าจำเป็นก็ยอมตายเพื่อสัตว์ก็ได้และการทำเช่นนั้นเนี่ยจะไปมองว่าเป็นการใช้กรรมนะเดี๋ยวนี้คนไทยเราเนี่ยเวลาใครที่เสียสละนะเสียสละดูแลสามีที่ป่วยดูแลภรรยาที่ติดเตียงหรือว่าดูแล แ, แม่ที่เป็นอัลไซเมอร์ เดี๋ยวนี้บางคนนะก็จะบอกว่าเนี่ยเขากาลังใช้กรรมไอ้ที่ใช้กรรมนี่ไม่ได้คนป่วยนะหมายถึงคนที่ดูแลนะหมบอกว่าเนี่ยเขากำลังใช้กรรมนะจึงลําบากจริงมันั้นไม่ได้ใช้กรรมนะเขากําลังทําความดีเขากําลังบําเพ็ญบารมีก็เหมือนกับที่พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านโดดลงไปให้เสือกินเนี่ยไม่ได้ใช้กรรมนะไม่ได้มีไม่ได้ทํากรรมอะไรไว้กับลูกเสือตัวนั้นนะชาตินี้ก็เลยต้องมาต้องมาตายแทนลูกเสือไม่เกี่ยวกันเลยนะท่านทําเพื่อ เพราะเป็นการเป็นความดีเพราะต้องการช่วยอันนี้เรียกว่าเป็นการบําเพ็ญบารมีนะอย่าไปเข้าใจสับสนนะว่าเนี่ยเป็นการใช้กรรมหรือไปคิดว่าเนี่ยพระติสารที่ท่านถูกตีเนี่ยเพราะท่านกําลังใช้กรรมจริงๆท่านกำลังทําความดีนะก็ยอมทุกยอมเจ็บปวดนะเพื่อช่วยสัตว์นะเพียงแต่ว่าท่านช่วยไม่สําเร็จฉะนั้นเองเพราะว่าเกเรียน ม, มันตายนะโดนเตะตายนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของนายมนิการเขาทากันเองนะ อันนี้ เ, เพราะนั้นเรื่องการทำบุญกับสัตว์เนี่ยการช่วยเหลือสัตว์นี่เราก็อย่าไปมองข้ามอย่าไปเมือนเฉยนะว่ามันได้บุญน้อยนะคนทำบุญที่แท้จริงไม่สนใจหรอกว่าได้บุญมากหรือได้บุญน้อยนะขอได้ช่วยกันแล้วกันนะะแล้วก็เตรียมรับพร